ท่านปรินิพานอยู่ที่ประเทศอินเดียวันมาวันวิสาขาบูชาพวกเราอยู่ในประเทศไทยร่วยู่ทั่วโลกประเทศไหนที่เคารพ บ, บูชาพระพุทธเจา้าพวกเราก็ได้จัดงานบูชาวันวิสาขาบูชาคือวันประสูตัดรู้ร ป, ปรินิพานของพระพุทธเจา้าได้ทุก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 คิดดีทดําดีพูดดีคนที่คิดดีทดําดีพูดดีแล้วนะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุกถ้าว่าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วเพราะไม่รู้ น, ะนี่แหละมีแต่ความหายนะมีแต่ความจิบหายมีแต่ความทุกเข้ามาสู่จิตการเป็นอยู่ของพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะได้นําเข้าประเด็นแล้วนะที น, นี้นะให้ตั้งใจฟัง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 กอร่มเย็นเป็นสุขอยู่ตราบนั้นนอันนี้ละเรื่องศินสินคุ้มครองแต่หลวงพ่อเองอยากจะเน้นหนักเรื่องของศินศินข้อที่สาที่จงพ่อจะเน้นจุดนี้บางทีหลวงพ่อก็เน้นข้อที่หนึ่งการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนบางทีก็เน้น 2, เ, เรื่องข้อข้อที่สองเรื่องอธินาทาน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 ก็ร้อนเพราอะไรเพราะไม่มีหลังคาศินข้อที่5ก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อบอกว่าศินข้อที่5้านคือศินคุ้มของโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขเพราะคนไม่ขาดจติตแหมว่าคันชายาวฝิ่นเฮโรอีนคันยาบ้าอย่างนี้ถา้าคนขาดจิแล้วจะหาความสงบจะหาความสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนขาดจิ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 ฆ่าไข่คนใดเพราะคนขาดสติอทินนาธานขโมยไครก็ได้กาเมษุมิชัาจานประพฤติล่วงละล่วงเกินล่วงละเมิดสามีภรรยาของใครก็ได้โก็หกไครก็ได้เพราะอะไรเพราะขาดสติเพราะฉะนั้นศินข้อที่ห้าในสินหลังคาศินที่มิมงคลแต่ถ้าหากคนที่ไม่มีศินข้อที่ห้าแล้วคนขาดสติทําความเสียหายได้ทุกอย่างนะครับนักศราญาติโยมนะ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 หลบหลบในบ้านนะ เ, เขาก็กลัวว่าคงจะมีอะไรนะกลัวอันตรายนะตอนี้พระเจ้าปัจเสีนเห็นผู้หญิงคนนั้นในหน้าต่างเท่านั้นนะความกิเลสคือราคานะคือความกาหนัดมันวิ่งกระแทกตั้มเข้ามาในหัวใจของพระเจ้าปัจเจียพนะ อ, อกระแทกเข้ามาที่พระเจ้าปัจเสีนก็ เกือบจะตกคอชาร์กเหมือนกันจ้ะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องามมการมกิเลสจากนั้นพระเจ้าปเส น, นก็เห็นเสร็จแล้วก็พยายามกลับมาถึงเวียงหวังมาเวียงวังกระถามอมมาที่อยู่ใกล้ชิดว่าเมื่อเราเสด็จไปไปตรงนั้นน่ะเธอเห็นไหมบ้านหลังนั้นน่ะอออมมาทก็เห็นครับ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 เขาก็รู้แล้วว่าถ้าทําผิดเพื่ออะไรต้องตายแน่เพราะนั้นเขาก็จะทำตีทุกจนหาเรื่องไม่ได้เพอหาเรื่องไปได้ทีนี้ก็เอเรียกเขามาอีกดีนะบุรอให้เธอไปเอาดอกดัวอยู่นู่นเออใครเข้าไปอยู่ใกล้ที่สุดประมาณ4ี่ห้าโยศเอาดินเหนียวด้วยเอามาให้ทันให้ทันอาบน้ำของเรานะาถ้าไม่ทันอาบน้ำของเราไม่ได้นะ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 น, sådan, 130, น, นี่เลยอันในสงทานเพียงแค่นั้นจัตตา ญ, ญาตโยมนะอนนันในสงทานสาตูเนอข้าพรเจ้าได้ทําทานแบ่งออให้อาหารกับคน อ, อัอนในสง์เป็นพันเพราะได้ทําบุญกับคนทำบุญทำทานกับคนอนนันในสงเป็นพันข้าพรเจ้าได้ทําบุญกับปลาใน น, า น, น้ําอันในสงเป็นร้อยด้วยบุญกุศลที่ข้าพรเจ้าได้ทําไว้ดีดีแล้วนี้นขอให้ข้าพรเจ้า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 เง่นเหมือนกันเงินฮะใครๆครก็อยากจะได้บุญจากนั้นเขาก็หน้าก็จำแรงตัวขึ้นมาท่านว่าไงกะเออถ้าข้าพเจ้าทำบุญกับมนุษย์อันนี้สง์เป็นพันข้าพเจ้าทำบุญกับหว่านอาหารลงไปในน้ำให้ปลากินอันนี้สง์เป็นร้อยเพราะนั้นท่านผู้ใดไปเอาดอกโกมุตดอกอุบล แล้วก็ดินเหนียวมาให้ข้าไปเจ้าข้าไปเจ้าจะให้บุญกับผู้นั้นเอาได้นากว่าแบ่งให้แน่นะให้แน่ไ อ, อ้นา ก, ก็เลยจำแหลงไปเอาดอกอุบลดินเหนียวอย่างที่ต้องการมาให้พอมาให้จะไ ด, ด้ชายคนนี้ได้พาก็เดินอ้าวเลยเแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าปเสนที่โกส่นี่คนหาเรื่องใช่ไหมล่ะออพอมาถึงพอรู้ว่า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 อพระเจ้าประเส็ย่อเข้าไปแหละเอาช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวบัวร้อยตัวตัวผู้ร้อยตัวตัวเมียร้อยตัวเออหมูร้อยตัวไก่ร้อยตัวหมาล้อยตัวม้าร้อยตัวคล้ายๆกับว่าถ้าจะเอาแต่สัตว์ที่กินได้กับเหมือนกับโอ้โหโหนเนี่ยมีแต่เอาสัตว์มาเพื่อกินออแต่นี้เขเลยโหนก็เลยบอกว่าเอาทั้งหมาด้วยอทั้งม้าด้วยเอาทั้ง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 ทำไมไม่ไปฟังคําทําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ า, าท่านเป็นสยามภูรู้แจ้งโลกทุกอย่างทําไมเราจะไม่ฟังโอ้ใช่เราก็ลืมไปไปไปกราบคุณพระพุทธเจ้าตัี้เป็นยังไงเอออั น, นี้เอาไว้ก่อนเออพระเจ้าประเสนก็ยังมัดไว้อยู่นะ อ, อยังไม่ยอมปล่อยก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์มหาโมเพ ท, าาพทาามีอะไร โอ้ยข้าพระ อ, องค์นอนเมื่อคืนเนี่ยประมาณชั่เที่ยงคืนได้ยินเสียงวัทุษณะนะโสนะเกิดขึ้นข้าพระ อ, องค์นอนไปหลับก็เลยไปถามพวกพราหมณ์พวกโขนทั้งหลายเขาก็บอกว่าต้องบูชา ย, ยันพระ อ, องค์บอกว่ามหาภพิษอันน้มันผิดใช่แล้วที่พระ อ, องค์ได้ยินเมื่อคืนนี้นะรู้ไหมเป็น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 กากูชันโทโกณคมโนกัตสโปโคตมโมเคตโมคือพระโคตมคือพระพุทธเจ้ากัตสโปเนี่คือองค์กรที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้ากัจสโปกัตส ป, ป, ปานี่คนในยุคนั้นอายุหมื่นถึงสองอายุยืนถึงสองหมื่นปีแต่เอ่อมีลูกเศรษฐีสี่คนอยู่ในกรุงอยู่ในกรุงที่พระพุทธเจ้ากัตส ป, ป่าอุบัติขึ้น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 อีกค่าก็คงจะเป็นอิหลบหรือไปตามรอยไอ้สี่คนนั่นแน่ๆเอาตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปค่าพระเจ้าจะไม่คิดในเรื่องการเมสุมิชาจานค่าพระเจ้าจะเป็นผู้ซื่อตรงต่อสามีภระระย า, าจะไม่ให้ผิดศินและข้อที่สโดยเด็ดขาดอันนี้ก็คือเมื่อพระเจ้าประเสริฐได้ยินเสร็จแล้วชายชายที่นอนอยู่ที่วัดปา่าเชตตะวัน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 ยิ่งยาวนานกว่านั้นนีอันนี้ฟังเขาไว้นะเอ่ยาระชนคือคนไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารยิ่งยาวนานกว่านั้นเนี่ยแหละพอพระเจ้าประเสนได้รับฟังธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นกลับไปก็ะไรไปปล่อยเอ่ยปล่อยช้างปล่อยมา้าปล่อยวัวปล่อยคอ ย, ป ล, อ ย, ป, ลอยปล่อยคนทั้งหลายคนทั้งหลายก็โ อ, โอ้โหอปโป โ, โมทนาสาธูกา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 อยากนา ม, มนารดกแนะนำพระพุทธพระเจ้าประเสนิที่โกรสนเข้ามากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยคือครบบันดิตท่านผู้มีปีชาสามารถเป็นผู้เปื้อนทุกข์ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละถ้าว่าครบกับบันดิตบันดิตจะแนะนำสั่งสอนนั้นอย่าอย่าทำนะนั้นอย่าคิดนะนั้นอย่าทำนะนั้นอย่าพูดนะถาาน้าท่านคิดท่านคิดท่านพูดท่านทา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 ตัศรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเออพระองค์รู้ไล้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์แล้วเราไม่เกิดอีกแล้วเออสิ่งที่เราจะทำจะทาให้เราเกิดนั้นคือกิเลสราคะโทสะโมหะเรากำจัดออกจากใจของเราแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วด้วยสินสมาธิปัญญาน่จากนั้นพระองค์ก็ได้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 มีหลวงปู่เทศหลวงปู่เหลียญหลวงปู่ต่างๆที่นํำทำคําสอนของหลวงปู่มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรเนี่ยนี่แหละท่านคนแรกได้เอาทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติท่านมาเห็นนั่งภาวนาเอานั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วท่านก็จะได้รู้ว่ากายกับกายกายกับใจเนี่ยไม่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกัน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 เออบีบแตรเออแล้วก็เหยียบดะชนดะออพอได้สูตรคนะบางทีเพอเพาอาจจะหักพวงมาลัยเหยียบคันเลงลงข้างถนนชนที่ไหนก็ไม่รู้งเพราะอะไรเพราะโซเฟอร์นิสัยไม่ดีนิสัยไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมที่ดีเพราะฉนั้นเรื่องโซเฟอร์กับรถรถกับโซเฟอร์ในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคําสอนท่านจึงให้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 ชายหนุ่มสี่คนนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทท่านให้สำรวมระวังจากขนาดคิดเฉยๆก็ยังไม่ควรจะคิดนะแล้วก็พูดทำก็ให้ระเวียงระวังในการกระทําเพราะนั้น เ, เรื่องอเซวานาจะพาลานังการครบคนผ่านมีแต่พานไปหาผิดถ้าคบบัณฑิตจะจะพาไปหาผลคือความสุขความเจริญ